วันนี้เป็นวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2555วันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน7เป็นวันพระเป็นวันเดือนดับแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันอุโบสถของพระสงฆ์ปักไปตกวันขึ้นค่ำหนึ่งที่ผ่านมาหลายวัน หลวงพ่อได้ลงไปทำธุระทางกรุงเทพและขึ้นมาทางขอนแกน่นการทำธุระภายนอกแต่พิจารณาแบบผิวเผินก็เหมือนกับเราสสแสวงหาราบยศสนเสริญสุขแต่ถ้าหากว่าคิดอีกในมุมหนึ่งเราอยู่ในสถานะไหนเราควรจะทำอย่างไรให้มองโลกประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านแต่ถึงอย่างไรก็ตาม ถ้าเราไปทำณสถานมุมใดก็าตามในโลกในจกักรวาลนี้ถ้าเราลํำลึกถึงมรณะภัยคือความตายไว้อยู่เสมอเราจะไม่หลงละเริงเราจะไม่หลงในเรื่องการกระทำนั้นในเมื่อเราทำออกไปหรือว่ากําหนดหรือว่าจะเกิดประโยชน์เราก็ทำแต่เมื่อทำแล้ว ก็จบไปแต่ถ้าหากว่าทำไปแล้วไม่เกิดประโยชน์เราก็ถอยกลับทำไปแล้วต้องมองมองดูผลจะออกมาลักษณะอย่างไรถ้าทำลงไปแล้วผลออกมาทางไม่ดีเราจะทําไปเพื่ออะไรถ้าผลเมื่อทำลงไปแล้วผลออกมาไปในทางที่ดีดีนะั่นดีเพื่ออะไรดีเพื่อตัวเอง ตนเองหรือดีเพื่อส่วนรวมถ้าหากว่าดีเพื่อตนเองนะั้นยังไม่เพียงพอถ้าดีด้วยส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์ต่อครูบาอาจารย์หมู่คณะประเทศชาติต่อโลกถ้าหากว่าเป็นประโยชน์ในระดับไหนเราก็ควรจะทำแต่ถ้าหากว่าทำไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ เราจะทําทําไมทําไปแล้วก็ทําให้โง่อีกต่างหากสิ่งเหล่านี้ผู้ที่จะเดินอยู่ในวัฏสงสารม่ใช่ว่าจะเดินถูกทางทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามิชชัทิติสัมมาทิฏฐิคำว่ามิชชัทิติก็คือเดินไปในทางที่ผิดคิดไปในทางที่ผิดทําไปในทางที่ผิดพูดไปในทางที่ผิดอันนั้นจัดว่ามิชชัติติ สัมมาทิฏฐิคือตรงกันข้ามแต่เราจะเอาตรงไหนมาลังวัดมาเป็นเครื่องชี้วัดสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิจะเอาความคิดของใครมาตัดสินเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเรานับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติปฏิบัติชอบอย่างสายหลวงปู่มั่นหรือว่าเราเข้าไปศึกษา ในระบบระเบียบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือว่าท่านอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยท่านอยู่ในหลักธรรมท่านเป็นผู้รู้ธรรมรู้แจ้งในธรรมเราก็ต้องเอาหลักธรรมคาสอนหรือหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเป็นแบบฉบับมาเป็นตัวอย่างมาเป็นเครื่องดำเนินมาเป็นเครื่องชี้ขาดว่าจุดนี้ มันเสียอย่างไรมันได้อย่างไรเสียน้อยอย่างไรเสียมากอย่างไรเดินไปทางไหนมันจึงจะถูกต้องสิ่งเหล่านี้พวกเราจะต้องเอาหลักธรรมคำสอนออกมาเป็นแนวทางแล้วก็เดินตามหลักธรรมคำสอนที่ท่านวางเอาไว้นี่แหละเราจะเดินไปยังไงก็ถูกทางถ้าเราเอียงไปทางต้องการยศต้องการสนเสดต้องการศุก ที่เขายกย่องชนะเสริญหรือมีลาภยศเหล่านั้นมีความสุขในเมื่อเราได้สมหวังเพียงแค่นั้นถ้าเราหวังอย่างนั้นเพียงแค่นั้นความทุกข์หรือว่าสิ่งที่ไม่พึงปราถน า, าก็จะพลูเข้ามาเพราะเหตุไรเพราะทุกคนเขาก็ต้องการถ้าหังว่าเราไปต้องการแย่งกับเขา ผลมันออกมานั่นแหละสิ่งที่ไม่พึงปราถนาเราอย่าบน่นเราอย่าพูดเพราะเราไปหวังอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่มีความหวังอย่างนั้นเราทําเพื่อถูกต้องเพื่อเป็นธรรมแต่มันกระทบกระเทือนผู้อื่นไปบ้างแต่ก็เราต้องดูอีกครั้งหนึ่งมีปัญหาหรือว่ามีทุกข์อย่างไรมีเรื่องราวอย่างไรทำไมจึงเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้น ถ้าว่าเรามองดูแล้วเราก็ต้องถอนถ้าไม่เกิดประโยชน์ถึงจะเป็นคุณก็จริงแต่ว่ามันเป็นโทษมันไม่สบายใจทับับผู้ที่เกี่ยวข้องเหมือนกับเราไปแย่งของเด็กเราเป็นผู้ใหญ่เราก็จะเกิดประโยชน์แต่ไปแย่งของเขาเด็กเขาร้องหมงร้องไห้เขาไม่พอใจเราจะไปทำอย่างนั้นขึ้นมานะเราก็โง่เลวสิเราก็ต้องถอย แต่เป็นยังไงมันก็ไม่เสียหายถ้าเด็กเขาทำอย่างนั้นก็ไม่เสียหายอะไรแล้วก็ปล่อยให้เขาทำไปสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดให้ดีสรุปแล้วอย่างหลวงพ่อนลงไปทำธุระอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังก่อนรู้จักมักคุนคู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถึงอย่างไรในใจของเราเราต้องคิดไวอีกเสมอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราพระพุทธเจ้าบรมครูของเรา พราะรหัสาวกของเราเป็นทอดทอดมาจนมาถึงองค์หลวงตาของเราท่านมียศชื่อเสียงกิติศัพท์ดังระาบือไปขนาดไหนแต่ผลที่สุดหลวงตาท่านก็ทิ้งไว้ในโลกทั้งหมดมีแต่ความบริสุทธิ์ของท่านเท่านั้นเองที่ท่านรับรองในตัวของท่านนอกนั้นลาบถึงยศจนะเสริญทั้งหลายทั้งปวงท่านทิ้งเราเราจะไม่ทิ้งเหรอ เราจะยึดครองไปตลอดไปอย่างนั้นหรอสิ่งเหล่านี้ถ้าเราลำเลึกถึงมรณะภยัยคือความตายไว้อยู่ในใจถึงจะไปอยู่ในมุมไหนทำการกิจการเรื่องอะไรถึรงจะเรื่องภายนอกเรื่องจะเรื่องสถานะไหนเราจะไม่ลืมตัวเพราะเหตุไรเพราะเราลำเลึกถึงมรณะภยัยคือความตายไว้อยู่เสมอนี่แหละ คนที่รำลึกถึงมรณะภัยคือความตายเนี่ยจะมีความรอบครอบรอบรู้หรือไม่ลืมตัวเพราะจะทำยังไงเราจึงจะคิดดีเราจะทำยังไงจึงจะพูดดีเราจะทำยังไงจึงจะทำให้ดีที่สุดแต่ว่าการพูดดีคิดดีทดําดีอย่างที่ว่าบางทีมันกระทบกระเทือนคนอื่นที่เขาคิดอย่างไม่ได้ สิ่งเหล่านั้นเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกับเด็กผู้ใหญ่อย่างที่ว่านี่แหละทำคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสโดยท่านสอนพระโมคคัลลาศพระโมคคัลลาศท่านจงมองโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าให้เป็นของว่างเปล่าอันนี้คืออะไรคือว่างเปล่านั่นก็คือถึงเราจะมีลาบถึงจะมียศสรรเสริญเยนยอขนาดไหน คนที่สุดมันได้อะไรมันเปล่าประโยชน์ทั้งนั้นเห็นไ้ยใครได้อะไรคนอยู่ในโลกได้ยศถาบรรดาศักิ์มากมายอย่างพวกเราท่นทั้งหลายเห็นแล้วเขาได้อะไรมีอะไรไปด้วยนี่แหละถึงจะได้ก็าตามมองดูแล้วเป็นของว่างเปล่าเป็นของเปล่าประโยชน์เป็นของเปล่าเป็นของว่างมันไม่มีอะไร เพราะนั้นให้ทำใจของตนเองให้เป็นเรื่องที่ว่างเปล่าให้ถอนอัตตนทิฏฐิตัวตนออกเสียนั่นละ่ะเราจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกสิ่งเหล่านี้การที่พูดให้ฟังเรื่องอย่างนี้สรุปแล้วก็คือพวกเราไปณนะสถานที่ใดทินใดทำงานเรื่องอะไรสรุปแล้วอย่าลืมตัว ให้ล้าคึกถึงมรณะภัยไว้อยู่เสมอความตายไม่รู้ว่าวันไหนจะมาถึงเราถ้าเราคิดได้อย่างนี้ไว้ในใจของเราเราไปทํางานนสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดไปนสถานที่ใดคนจะยกย่องนับถือขนาดไหนเรากนน้อมมานึกตัวเองอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องทิ้งร่างกายสังขารของเราแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นนะใจนะอย่าลืมตัว สิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีควรจะทําอย่างนั้นควรจะพูดอย่างนั้นนะใจนะเนี่ใจเตือนใจถ้าหากว่าพวกเรามีความในใจคือมีมรณภัยเนี่ยลลึกถึงมรณภัยว่าอยู่ในจิตใจไว้อยู่เสมอเราไปอยู่ณสถานที่ใดกลุ่มใดคณะใดชุมชนใดเราจะรู้เท่ารู้ทัน รู้เขารู้เรารู้เหตุการณ์รู้รอบขอบชิดไม่หลงละเลงถ้าเขายกย่องเราก็ลมปากของเขาถ้าเขาอิจฉามันเป็นจริงอย่าเขาอิจฉาอย่างที่เขาตําหนินินทาหรือเปล่าถ้ามันเป็นอย่างที่เขาว่าเราก็แก้ไขอย่าทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องในเมื่อเขานินทา แต่เรามองดูตัวของของเราแล้วมันก็ไม่เป็นอย่างที่เขาว่าเราก็จะไปเดือดร้อนทําไมถ้าสรรเสริญก็เหมือนกันถ้าเขาสรรเสริญเยินยอเรามันก็เป็นอย่างที่เขาสรรเสริญเออเราก็ไม่ว่าอะไรเออเป็นอย่างที่เขาว่าแต่ตัวของเราไม่มีดีอะไรเลยแต่เขาสรรเสริญเราจะไปพอใจในการสรรเสริญของเขาเหรอสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิดอีกเหมือนกันอันนั้นเป็นลมปากของเขา เราไปตื่นตนกหรือไปตื่นเต้นกับลมปากของเขาฉันละเสริญเยินยอของเขาล้วนแล้วเป็นทางไม่ถูกทั้งตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่ยังไงก็ตามขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าลืมตัวในการยกย่องฉันเสริญเรื่องโล ก, กธรรมสี่เนี่ยมีลาบมียศมีสรนเสริญมีสุขโดยมากมันหลงหลงในในโล ก, กธรรมนี้ จะทำยังไงพวกเราทํำยังไงจึงจะไม่หลงนี่แหละอันดับแรกก็คือให้ลาลึกถึงมรณะนุสติในเมื่อลาลึกถึงมรณะนุสติแล้วยังไม่เพียงพอเพราะว่าการลำลึกนั้นบางทีกับนึกประเดี๋ยวประเดาเออมันก็ออกไปแล้วบางทีมันก็นึกไปหลงลืมไปแบบเบอเบอร์ไปแล้วก็จบไปแล้วก็มาอีกอย่างเนี้ย และจะทำยังไงจึงจะถาบอนมันจึงจะแน่วแน่นี่แหละต้องเข้ามาสมาธิทีนี้ถ้าคนที่จิตใจมั่นคงจิตใจที่เป็นสมาธิจะคิดอะไรมีสติอยู่กับตนเองเพราะมีสติเรื่องสมาธิเป็นเบื้องตน้นสติสัมปชัญญะในเมื่อสติสัมปชัญญะมีมีเกิดขึ้น เราจะคิดเรื่องอะไรเราจะทำเรื่องอะไรเราจะพูดเรื่องอะไรในเมื่อมีสติอยู่กับตนเองจากนันก้นเราดูตัวเองเถอเอาสติกาหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกให้เกิดเป็นสมาธิในเมื่อใจของเราไม่ปุงฟุ้งออกไปข้างนอกใจของเราเป็นสมาธิจิตใจของเราสงบจิตใจของเรานิ่งอยู่กับสมาธิ ดูรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาไม่เผลจนจิตใจรวมสงบเป็นที่พอใจจิตไม่ปุ้มจิตไม่ฟุง้งไม่ชาญจิตไม่หิวไม่หยจิตไม่กระเสือกกระสนจิตใจของเราอยู่นิ่งในเมื่อใจของเราจิตใจของเราอยู่นิ่งสงบเป็นคณิกะอุปจาระอ ป, ปนาในที่สุดผ่านสมาธิทั้งสาม หรือสมาธิใดสมาธิหนึ่งกนิกะก็ได้ปัจจาระก็ได้อัปปนาก็ได้เมื่อผ่านแต่ถ้าไม่สงบได้ไหมได้ไม่สงบนะไม่เพียงพอเพียงแต่คิดประเดียวประดาแล้วก็ผ่านไปถ้าหากว่าผ่านความสงบไปแล้วนั่นละ่ะดีกว่าเมื่อจิตผ่านความสงบแล้วจิตของเราเป็นหนึ่งแล้วแล้วนำเอาจิตที่ผ่านความสงบนั้น มาพิจารณาแต่ถ้าว่าเรามีแต่ความสงบอย่างเดียวใช่จิตที่สงบนะั้นมีความสุขมากมีความสุขอยู่ที่ไหนเย็นเป็นสุขแต่ว่ามีอะไรเข้ามาขยับเข้ามานะเกี่ยวข้องถ้ามันพุงออกไปหรือุงลูกศร อ, ออกไปมันจะออกไปอย่างรุนแรงถ้าโกรธใครก็โกรธอย่างรุนแรงถ้ารักก็ดีมันเป็นลักษณะอย่างนั้น เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะพิจารณาในเมื่อจิตผ่านความสงบแล้วมีสติเราจะพิจารณาเรื่องอะไรนี่แหละตนนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านก็เอาเป็นแบบฉบับพิจารณาเรื่องกายยาคตาสติให้ดูกายให้พิจารณากายหรือพิจารณาเวทนาหรือพิจารณาจิตหรือพิจารณาธรรมที่มากระทบใจ ได้ท้งนั้นในสติปัฏฐานสี่สุดแท้แต่เราจะนำจิตที่ผ่านความสงบไปกำหนดตรงไหนไปดูที่ตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นในเมื่อเราพิจารณาไตรลักษ์พิจารณาถึงกายคตาสติพิจารณาถึงอรุปะปฏิกูลพิจารณาถึงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพิจารณาถึง กายเวทนาจิตธรรมเวทนาจิตธรรมอันไหนที่เราทำเข้าไปแล้วจิตใจของเราได้รับความสงบในเมื่อจิตใจเย็นเห็นตามความเป็นจริงในขณะที่พิจารณานั้นท่านบอกว่าไม่เบือ่อมากก็ต้องเบื่อน้อยไม่คลายมากก็ต้องคลายน้อยเมื่อเห็นตามความเป็นจริงสรุปแล้วก็คือย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจอีกใจไปหลงร่างกายไปหลง กายเวทนาจิตอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องดูที่ใจใสรุปแล้วก็มือออกพูดไปวงไหนก็เถอะถ้าหนีออกจากใจแล้วแปลว่าผิดทางทั้งนั้นถ้าเข้ามาหาจุดนี้แล้วให้เห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตามิใช่ตัวตนของเราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้น ขนาดใจตัวนึกคิดก็ยังไม่ใช่ตัวตนของเราอีกให้ปฏิเสธกระทั่งใจอีกใจของเราไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นของเรามันจินึกคิดปงฟงไปอย่างนั้นมันก็ต้องไปตามที่เราอยากจะให้มันเป็นไปอันนี้มันไม่ใช่มันเอาไม่อยู่ต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมให้รู้เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นถ้าเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะต้องเบื่อหน่ายคลาย เพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากใจทั้งหมดจะไปรักจะไปโกรธจะไปโลภจะไปหลงมันออกไปจากใจทั้งหมดถ้ามีสติสัมปชัญญะนุอยู่ในใจแล้วรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะไปโลภเพื่ออะไรจะไม่ตายอย่างนั้นลหละหลงไปเพื่ออะไรรักไปเพื่ออะไรสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เป็นอนิจจของเที่ยงแท้แน่นอนอย่างนั้นใช่ไหมือสิ่งเหล่านี้ถ้าพวกเราพิจารณาถึง เบื้องต้วนว่ามรณะนุสติจากนั้นก็เรื่องสติสัมปชัญญะกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อจิตใจรวมสงบจากนั้นก็พิจารณาถึงธาตุสี่ตีนน้ำลมไปพิจารณาถึงอสุภะปฏิกูลพิจารณาถึงอาการ32ของร่างกายแต่อันดับแรกถ้าคนไม่ระ ล, ลึกถึงความตายไปเบื้องหน้าก่อน มันจะพยองพองตัวลืมตัวว่าข้านี่เป็นใครมันลืมตัวถึงขนาดนะั้นแต่ตาไม่จริงข้าไม่เป็นใครลนะข้านี่เป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟอีกสักวันตายแน่ๆเกิดมาแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายแน่ไม่เป็นอย่างอื่นนี่แหละให้เราลําลึกไว้อยู่เสมอถ้าย้ลำลําลึกไว้อยู่อย่างนี้นั้นตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงสูงสุดของธรรม ที่พระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำที่ท่านสั่งสอนที่ท่านบอกกล่าวไว้แล้วเราจะไม่หลงลืมตัวเราจะรู้เท่ารู้ทันผลที่สุดเราอยู่ในสถานะไหนเราก็จะรู้ในสถานะของตนเองยืนอยู่แลวจะช่วยอย่างไรจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองอย่างไรเราจะรู้ตนเองอยู่ตลอดฉะนั้นขอให้หมู่พวกเพื่อน พวกเราทุกๆ ท, ท่านตลอดถึงสัดท้ายญาติโยมทุกๆ ท, ท่านที่ได้ฟังพวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่ได้พูดแล้วย้ำอีกไม่รู้จะวันไหนแต่เห็นแต่คนอื่นตายอีกสักวันหนึ่งพวกเราคงจะเห็นตัวเองตายเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเขาอีกแต่เมื่อถึงจุดนั้นแล้วเราจะทำยังไงถ้าเราไม่เตรียมการไปแต่ น, นัเนิน่น เราต้องเตรียมพร้อมหรือเตรียมการไว้แต่เนิ่นๆแต่เดี๋ยวนี้ลหละเป็นต้นไปให้พวกเราทำคุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีมีมากมายหลายอย่างทำตนเป็นคนดีไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นคนมีทานมีสินและก็มีภาวนามีความอ่อนน้อมถ่อมตนจากนั้นก็พิจารณาถึงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาให้ปล่อยวางในจิตในใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกวัฏฏสงสาร นี่แหะร้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีทั้งนั้นคุณงามความดีในธรรมที่ไหนเราจะไปทําที่ยอดเขาหรือเราจะไปทําที่ไหนแต่พระพุทธเจ้าท่านแนะนําว่าที่สงบสงัดไม่ไปกันกลองไตรตรองเมื่อฉันนั่งฉันอาหารตอนเช้าแล้วหาหมุมสงบที่แกล้งลอมฟงังเนี่ยที่ไม่มีผู้คนพผู้พานหาหมุมสงบ แล้วก็ น, นั่งภาวนานั่งขัดสมาธิพิจารณาความเกิดความเสื่อมของร่างกายพิจารณาถึงความเกิดความเสื่อมของจิตใจใจของเราไปหลงอะไรหลงในะร่างกายนี่แหละท่านให้หาหมุมสงบเพราะนั้นการที่จะภาวนาสถานที่ใดก็าตามพวกเราจะไปคิดว่าตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นใช่จะไปเลือกจนเกินไป อย่างที่วัดของเรามีตั้งเยอะแยะมุมสงบไปเลือกเอาเลยตามกุติเข้าไปกันนั่งภาวนาทำความสะอาดปัดกวาดให้เรียบร้อยดูไม่มีมดเพราะไม่มีมดอยู่แล้วเพราะที่การมดของเรามีเราตรวจตรา ด, ดูจากนั้นก็นั่งสมาธิให้รู้จกักเสาะแวงหามที่หลบที่หลีกที่ความสงบหา ม, มุมสงบจากนั้นก็ น, นั่งภาวนาวันนี้เราจะนั่งกี่ชั่วโมง นั่งด้วยสิตั้งจิตอธิษฐานเลยเราจะนั่งสามชั่วโมงห้าชั่วโมงพยายามนั่งให้ น, นานที่สุดพยายามเอาชนะเวทนาคือการเจ็บปวดนั่นเวทนาตัวนี้แหละเวลาเราจะตายถึงมรณะภัยเข้ามาเวทนาตัวนี้แหละมันจะมาบีบคอของเรามารัดของเราเราจะทุกข์อย่างมากอันนี้เพียงแต่ประเดี๋ยวประดาวเราก็ต้องพยายามฝึกหัดสู้กับเวทนาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคต เราฝึกสู้กับมันซะก่อนแล้วมันจะเป็นยังไงเวทนาตัวนี้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะถ้าถิ่นเอาจริงเอาจังอย่างนั้นแล้วผมว่ามั่นใจเหลือเกินว่าการภาวนาของพวกเราเนะี่ยจะไปไดนะ้ไม่ต้องกระโดดโลดเต้นไม่ต้องคิดว่าตรงนั้นจะเป็นยังไงตรงนี้จะเป็นอย่างนีน้มันอยู่ที่ตรงหัวใจของเรานั่นแนะ่ะสาคัญถ้าหัวใจของเราไม่สงบหัวใจของเรา ไม่ซื่อไม่มั่นคงใจของเราป่งฟุ้งอยู่ตลอดเวลาจะไปอยู่ในโลกไหนก็โลกอะไม่ว่าตะโลกมนุษย์อะขึ้นไปภาวนายอยู่ดวงจันทร์มันก็ฟุ้งอยู่ในดวงทิศดวงจันทนระ์น่ะดาวพระอังคารดาวพระจันทร์นู้นเพราะอะไรเพราะกิเลสมันอยู่ในใจไม่ใช่อยู่ที่อื่นแต่ก็ใช่เราหาหมุมสงบแต่ไม่ใช่ว่าจะมานั่งอยู่ที่ฉันน้าร้อนน้ำชาคุยกันแล้วไปนั่งภาวนา แล้วก็ไปเดินตรงที่คนคุยกันอยู่นะมันไม่ใช่สถานที่ที่จะภาวนาที่จะภาวนาที่เดินอยู่กลมมันต้องมุมสงบหลีเล้นหลีกลีไม่ให้ใครเห็นอยู่ในมุมสงบที่สุดเห็นไหมพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรุปในช่วงที่ปัญจวคีตั้งห้าอยู่ผมว่าในหน้าท่านก็คงจะเป็นคิดเป็นธุระเป็นภาระเหมือนกัน พราพวกนั้นมองมองดูเห็นเห็นกันอยู่แต่เมื่อท่านเหล่านั้นออกไปแล้วพระ อ, องค์เป็นอิสระอยู่ตามลำพังคิดเป็นอิสระทำเป็นอิสระนั่งอิสระดูจิตใจแบบอิสระหนึ่งไม่มีสองจากนั้นใจข อ, อ, องพระองค์ก็น แ, นแน่วแน่จนสละกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจจนใจบริสุทธิ์ผมว่าที่จะนั่งภาวนา จะเดินจงกรมก็ดีนั่งภาวนาก็าดีท่านให้อยู่ในมุมสงบให้หลีกลิ้หลีกเล้นเอออย่าไปเดินอวดเขาอย่าไป น, นั่งภาวนาอวดเขาอวดเพื่ออะไรอวดนั่นแหละคือตัวกิเลสอีกละ่ะ เ, เราต้องพยายามหลบแต่พยายามเดินจงกรมใครเห็นไม่เห็นก็ตามกิเลสภายในใจของเราเห็นเราอยู่นี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ เพื่อนทุกองนะอย่าลืมตัวอย่าหลงตัวให้คิดมรณะภัยไว้อยู่เสมออย่างที่ผมพูดถึงผมจะไปไหนก็ตามผมไม่เคยลืมมรณะนุสติรละลึกถึงความตายถึงจะทำก็ยืดออกไปในการทำงานแต่หมดทำงานแล้วผมก็ยุดเข้ามาอีกเพราะเห็นความตายไว้อยู่เสมออีกสักวันหนึ่งเห็นไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่รักเคารพนับถือของเราอย่างยิ่งท่านก็จากไป ทั้งที่ท่านมีครบทุกอย่างกว่าเราซะอีกเราในภาษาอะไรจะเปรียบเทียบกับท่านได้อย่างไรแต่ขนาดนั้นท่านยังทิ้งทั้งหมดเราจะไม่ทิ้งเหรอสิ่งเหล่านีนะ้ต้องดูตนเองอย่าหลงตนเองอย่าให้คะแนนตนเองถ้าตัวเองบริสุทธิ์นั่นและออควรให้ถ้ายังไม่บริสุทธิ์ยังไม่หมดจดจากกิเลสให้อย่าให้คะแนนตนเองต้องข่มไว้อยู่เสมอเราต้องคิดดี เราต้องทำดีเราต้องพูดดีอันไหนดีคาว่าดีคืออะไรดีที่พระพุทธเจ้าสอนว่าดีนั่นคืออะไรชาระกิเลสราคะออกจา ก, กจิตโทสะโมหะออกจา ก, ก จ, จิตใจโลภโกรธหลงออกจากจิตใจใจบริสุทธ์หลุดพ้นใจเป็นอิสระนั่นแหละคือดีดีเลิศแต่ถ้านอกจากนั้นลงมาแล้วถึงจะดีขนาดไหนก็เถิดดีกิเลสขี่คออยู่ ว่าจะดีได้อย่างไรมันดีไม่ได้ดีแบบให้คะแนนตัวเองแบบหลอกๆฉะนั้นนะไม่มีใครที่จะรู้ดียิ่งกว่าตัวของเราเองเราไปถึงไหนอย่างไงถึงไหนแล้วร่้งขอให้หมู่พเพื่อนทุกองนะตั้งใจรไปปฏิบัติธรรมอย่าไปคิดปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกตรงนั้นตรงนี้ที่นั่นที่นี่สรุปแล้วมันคืออยู่กับตัวเองทั้งหมดถ้าตัวเองไม่ดีสักอย่างเดียวท่านนะ คิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีอย่างเดียวเท่านั้นไปอยู่โลกไหนก็ไปมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายในจิตในใจแต่เราตรงข้ามขึ้นมาคิดดีพูดดีทําดีแล้วอยู่ที่ไหนล่มเย็ดเป็นสุกทั้งหมดแล้วก็จะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารอีกต่างหากนะและการพูด ก, การแนะแนววันนี้ก็เห็นว่าจงควรกับการเวลาขอยุติ